จบเสียงอ่านหนังสือ l i f e in the World unseen โลกทิพภาคหนึ่งหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงสรุปท้ายบทเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นโปรดฟังคำอธิบายต้นเรื่องคำปรรารบคำนำและอื่นๆทั้งหมดให้เข้าใจก่อนฟังเนื้อหาหลักหรือกลับไปฟังอีกรอบหลังฟังจบแล้วจะทำให้ท่านเข้าใจเนื้อหาในหนังสือนี้ถูกต้องตรงทางยิ่งขึ้นนะครับสิ่งสาคัญที่ต้องขอย้อีกรอบก็คือ คำบรรยายในหนังสือนี้เป็นเพียงสภาวะของภพภูมิหนึ่งยังเป็นระดับเทวภูมิชั้นกรมมาพจรยังติดในกามคุณคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าปรารถนาชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำนัดยินดียังมีอุปาทานความรู้ความศรัทธาความชอบความเชื่อในแนวเดียวกันไม่ต่างกับตอนมีชีวิตยังมีความยึดมั่นในอัตตาอย่างเนียวแน่นแล้วเรื่องหลักในหนังสือเป็นเพียงสวรรค์ขั้นต้นที่ยังหยาบ อ, อยู่มากนะครับ จึงมีวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างจากชีวิตตอนเป็นมนุษย์เท่าใดนักจะต่างแค่เพียงความเป็นทิพย์ของวัตถุที่ประนีตมากกว่าเท่านั้นซึ่งในความจริงยังมีพบภูมิอีกมากมายและความจริงอีกหลายอย่างที่ท่านเจ้าของเรื่องและเทวดาในที่นั้นยังไม่สามารถเข้าถึงได้แม้เป็นความรู้ในระดับเทวภูมิขั้นต้นก็ตามจึงควรศึกษาด้วยความเข้าใจว่าท่านบรรยายด้วยพื้นฐานที่มีอยู่ในขอบเขตจํากัดและเป็นลักษณะเฉพาะถิน่น หรือภูมิภาคของท่านเท่านั้นนะครับแต่แม้จะเป็นความจริงแค่ส่วนหนึ่งหากเข้าใจหลักสำคัญของเรื่องก็จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องตายแล้วไม่สูญใครทำอะไรไว้ต้องได้รับผลตามกรรมของตนซึ่งจะทำให้ตั้งมั่นในการทำดีเว้นชั่วได้ง่ายขึ้นเกิดศรัทธาในการปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาจิตให้บริสุทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นหากได้ศึกษาต่อยอดจนเข้าใจเรื่องภพชาติจริง จะพาให้เข้าใจไปถึงหลักอริยรสัจสี่ได้ลึกซึ้งขึ้นด้วยเราเห็นชัดว่าทุกในอริยสัจนั้นไม่ใช่แค่ทุกในชีวิตนี้แต่หมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดไม่จบสิ้นอันก่อทุกข์ตามมาอีกมากมายคือเมื่อต้องมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพลัดพรากต้องประสบสิ่งไม่เป็นที่ชอบใจเกิดมาอีกอยี่รอบก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่กันเสมอ สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่แค่ทุกข์ที่ได้เจอในชาตินี้แต่คือการต้องกลับมาเกิดไม่จบสิน้นหากไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วก็ไม่ต้องทุกข์การไม่ชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงจะรู้แจ้งอริยสัจไม่ได้เลยเพราะแค่ความทุกข์กับเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตเดียวที่ตายแล้วสูญไปนั้นจะมีประโยชน์อะไรที่ต้องเหนื่อยยากลาบากในการศึกษาปฏิบัติธรรม จะรู้แจ้งอริยสัจเข้าถึงนิพพานไปทําไมถ้าตายแล้วก็จบกันแค่ชาติเดียวน่าแปลกใจนะครับที่อริยสัจซึ่งเกี่ยวโยงกับภพบชาติโดยตรงแต่คนอีกจํานวนมากกลับมองว่าการศึกษาเรื่องภพชาติเป็นเรื่องที่ไม่ควรสนใจไม่ใช่ทางดับทุกข์ส่วนหนึ่งก็เพียงด้วยข้ออ้างแค่บางประโยคจากพระไตรปิฎกที่ท่านตรัสกับคนบางคนเท่านั้นท่านสเสถียนโพธินันทะ a ชายาพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ยังกล่าวเรื่องนี้ไว้ว่า เพราะบางคนก็าบำเพ็ญบา ร, รมีมาพร้อมแล้วถ้าเข้าหลักธรรมเลยจะบรรลุได้โดยง่ายแต่ถ้าโม่แต่คุยเรื่องพวกนี้ก็จะเสียเวลาต้องตอบกันละเอียดแต่เมื่อเจอคนที่เหมาะสมท่านก็ตรัสตอบคําถามหรือเล่าเรื่องพวกนี้ไว่มากมายแต่ก็แปลกที่คนอีกมากแม้จะศึกษากันจริงจังก็กลับมองข้ามความจริงเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายครูบาอาจารย์บางท่านท่านสอนสิทธิ์ก็ลักษณะเดียวกันนะครับ เพราะเห็นว่าสิทธิตรงหน้าควรสอนอะไรอะไรไม่ควรรู้ยังไม่จำเป็นก็บอกว่าอย่าสนใจหรือบางท่านชำนาญในด้านภาวนาท่านก็สอนแค่ด้านภาวนาไม่เอาสิ่งไม่ถนัดมาสอนแต่คนรุ่นหลังก็ไปมาว่าทุกคนต้องเป็นแบบที่ท่านสอนหลายคนเลยกลายเป็นกล่าวตู่พุทธวจนะบิดเบือนพระศาสนาไปอย่างน่าเสียดายซึ่งคาสอนในพระไตรปิฎกเช่นในพระสูตรนั้น ท่านมรดตรัสสอนคนยักเยื้องกันตามจริตนิสัยวาสนาปัญญาบารมีถ้าจะยกมาต้องเข้าใจความหมายที่ถูกต้องว่าท่านหมายถึงอะไรตรัดเวลาไหนเหมาะกับใครแล้วแห่งอื่นท่านตรัสตรงข้ามกันหรือไม่ก็จะเข้าใจได้ถูกทางมากขึ้นนะครับอย่าไม่นับกับความเข้าใจว่าพุทธวัจนะหรือพุทธพจน์นั้นตรัสตามนัยยะแห่งพระสูตรหรือตามนัยยะแห่งอภิธรรมซึ่งอาจมีความหมายที่ต้องการสื่อถึงต่างกันได้ การพูดเรื่องภพชาติอิทธิปฏิหารอยากที่ดูตัวอย่างคําสอนของสมเด็จพระพุทธโคาจารย์ปออประยุตโตนะครับถึงท่านเป็นที่ยอมรับว่าแตกฉาในพระไตรปิฎกและคำภีร์ทางศาสนาอย่างมากแต่เวลาพูดเรื่องพวกนี้ท่านจะไม่สุดต่งไปด้านใดด้านหนึ่งจะอธิบายละเอียดหลายแงยม่มุมและไม่เคยปฏิเสธว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีจริงหรือห้ามสนใจแต่จะอธิบายตามหลักฐานที่มีว่ามีแค่ไหนอย่างไรควรเชื่ออย่างไร และสำคัญคือควรวางใจและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรซึ่งในกรณีจะเป็นผู้เผยแพร่หรือจะคุยในวงกว้างกับคนที่ต่างจริตต่างปัญญาในจำนวนมากนั้นก็ควรจะดูแบบอย่างการสอนของท่านนะครับเพราะยังคงความเข้มข้นในทางทฤษฎีและการปฏิบัติธรรมแต่ก็มีคำอธิบายครอบคลุมในหลายด้านไปพร้อมกันการเข้าใจคาสอน แม้จะท่องจำพุทธวจนะได้ตรงทุกคำถ้าจะยกมาต้องเข้าใจความหมายที่ถูกต้องว่าท่านหมายถึงอะไรตัวอย่างที่เจอบ่อยสุดเช่นเรื่องประโยคที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบันประเสริฐคํานี้ท่านพุทธทาสกล่าวไว้ว่ามันเป็นสำนวนของคนขายยาสมัยโบราณซึ่งตามพระไตรปิฎกให้คําจํากัดความของคําว่านิพานความหมายหนึ่งคืออโรคะคือความไร้โรคในที่นี้คือ เมื่อประจักษ์แจ้งนิพพานแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ชื่อว่าไร้โรคแบบถาวรซึ่งการไร้โรคตลอดกาลแบบนี้จึงจะเป็นความหมายที่ถูกต้องของความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแต่คนจํานวนมากก็ยังเข้าใจผิดกันต่อไปจะเห็นได้ว่าความหมายของนิพพานที่เป็นความไร้โรคนั้นแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องภพชาติเป็นสําคัญเหมือนกันเพราะลาภอันประเสริฐนี้ จะมีได้ต้องไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเท่านั้นหากไม่เข้าใจไม่เชื่อเรื่องนี้การทำความดีจนแม้กระทั่งนิพพานการไร้โรคของจริงก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยหรือข้อความในพระไตรปิฎกจะกลายเป็นของไร้สาระไร้ความจำเป็นคือไม่จำเป็นต้องมีศาสนาพุทธไม่ต้องนับถือศาสนาอะไรก็ได้เพราะมีค่าเท่ากันคือตายแล้วตายเลยซึ่งนีคือเหตุผลที่วัยรุ่นจานวนมาก เริ่มไม่นับถือศาสนากันมากขึ้นในปัจจุบันแต่ก็ยังน้อยกว่าคนที่เชื่อเรื่องผีและเทวดาแบบง ม, มงายไร้สาระซึ่งก็มีอยู่จำนวนเยอะกว่ามากโดยเหตุเพราะไม่เคยศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจตรงทางหรือยังไม่เคยเจอคำอธิบายที่ดีพอที่เขาจะเข้าใจได้นั่นเองจะเห็นได้ว่าการปฏิเสธการศึกษาเรื่องภพชาติความจริงแล้วอาจก่อปัญหาที่มากกว่าด้วยซ้าแต่ก็ต้องย้าเสมอนะครับว่า การศึกษาเรื่องนี้ต้องเจอข้อมูลที่เทียบเคียงเป็นเหตุผลให้เข้าใจถูกต้องตรงหลักในพระไตรปิฎกด้วยนะครับซึ่งเท่าที่ได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรผู้อ่านเองก็ยังไม่เคยพบใครอธิบายเรื่องโลกหลังความตายได้เข้าใจง่ายและละเอียดพอและมีการอธิบายหลักธรรมตามพระไตรปิฎกประกอบได้เท่ากับหนังสือของสํานักค้นคว้าทางวิญญาณของอาจารย์พรรัตนสุวรรณที่ดูเป็นเหตุเป็นผลชวนให้เชื่อตามจนเข้าใจหลักสําคัญที่ว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปได้ท่านี้เหมือนกันนะครับบางคนอาจค้านเพราะอ่านแล้วก็ยังไม่เชื่อข้อนี้ก็คงต้องเกี่ยวกับสภาพจิตของแต่ละคนว่าพร้อมรับข้อมูลในใจเป็นกลางแค่ไหนด้วยนะครับเพราะหากมีอคติยึดความเชื่อเดิมไว้เหนียวแน่นหรือใช้ตรรกเหตุผลทางวัตถุหรือความเคยชินมาตัดสินแม้ข้อมูลเหตุผลดีแค่ไหนก็ม่อาจทาลายกาแพงในใจของท่านได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็ยังเข้าใจนะครับว่าจริตปัญญาที่ต่างกันแนวทางเพื่อการเข้าถึงก็อาจต่างกันไปสุดท้ายแต่ละคนก็ควรหาแนวทางคำสอนที่ถูกจริตของตนสำคัญคือเชื่ออะไรแล้วเข้าใจตไตรลักษณ์ได้แค่ไหนเชื่อแล้วละอุปาทานในความเป็นตัวตนได้หรือไม่น่าจะเป็นจุดที่ควรสนใจมากกว่าและอย่าได้ตั้งแง่รังเกียจแนวทางของคนอื่นที่มีความถนัดต่างกันก็นกพอ เป็นคนกินยานะครับบางคนก็กินยาขมได้โดยตรงแต่อีกหลายคนก็ต้องเคลือบน้ำตาลให้กินได้ง่ายถึงกินได้เช่นกันนะครับสำหรับคำบรรยายในโลกทิพย์ภาคหนึ่งนี้หากท่านเชื่อว่าเป็นจริงและเข้าใจหลักสำคัญก็จะเห็นชัดว่าสุดท้ายแล้วโลกมนุษย์มีแต่สิ่งไร้สาระอย่างไรรวยจนเคยสุขเคยทุกข์มีอานาจแค่ไหน ตายแล้วก็จบกันติดตัวไปได้แค่สภาพจิตที่ดีหรือเลวเท่านั้นเมื่อถึงวันใกล้ตายจะพบว่าสิ่งที่ผ่านมาล้วนไร้สาระไม่ต่างอะไรกับความฝันที่ลืมตาตื่นแล้วก็หายไปพอถึงจุดนี้คนอีกมากก็เปลี่ยนไปเกิดความหวังเป็นสุขในสวรรค์แทนโดยไม่เข้าใจว่าสุดท้ายก็ไม่ต่างกับความฝันเช่นกันถึงแม้จะรู้สึกว่ามีจริงได้สวยผลจริง แต่ความจริงคือทุกอย่างเกิดจากความว่างเปล่าทั้งนั้นสุขอันประนีตแค่ไหนก็เกิดจากพลังของจิตที่เป็นกุศลสร้างขึ้นมาให้สวยสุขถ้าเข้าใจและมองเห็นตามจริงก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าการสวยสุขในสวรรค์แท้จริงแล้วก็แทบไม่ต่างอะไรกับคนบ้าที่เพ้อฝันว่าตัวเองได้เป็นราชากาลังสวยสุขอย่างสํารานหากใครมันจเจริญสติพิจารณาความไม่เที่ยง จนเห็นความร้ายแก่นสารในสุขทั้งโลกมาพอสมควรพิจารณาการกินจนไม่ติดในรสอร่อยรู้ชัดว่าการเสพสื่อบันเทิงหรือแม้แต่สมาธิบางประเภทก็แค่เรื่องกล่อมใจให้หลงไม่ต่างกับยาเสพติดท่านจะยิ่งเห็นได้ชัดนะครับว่าแม้สวรรค์ก็ยังไร้สาระเป็นเพียงความยึดมั่นในสิ่งที่ล้วนเป็นอนัตตาทั้งนั้นโดยไม่รู้ว่าชีวิตที่กําลังเสวยสุขนั้นไม่เที่ยงและถึงเวลาหมดบุญก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ หรือบางทีบาปเก่าให้ช่องได้ผลสิ้นสภาพเทวดาตกลงอบายภูมิทันทีก็ได้เช่นกันตราบใดยังไม่บรรลุเป็นอริยบุคคลจิตปุถุชนมักมีสภาพถูกดึงลงต่ำได้ง่ายจึงมีโอกาสสร้างบาปก่อเวรให้ตัวเองได้โดยเฉพาะคนทำบุญที่ยังเป็นโลกยะกุศลไว้มากไม่ใช่บุญในด้านพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเกิดใหม่บุญเก่าทรงให้หล่อรวยมีอำนาจจึงมักลงตัวเองได้ง่าย ยิ่งมีบุญมากก็ยิ่งทำร้ายผู้คนในวงกว้างได้มากขึ้นเราจึงได้เห็นคนที่เหมือนมีบุญมาเกิดแล้วเหลืองในสิ่งที่ตนเองมีก่อ บ, บาปกรรมร้ายแรงซึ่งหลายกรณีเป็นบาประดับประเทศหรือระดับโลกเลยทีเดียวนะครับให้สังเกตว่าคนที่ทำบุญแล้วตั้งจิตปรารถนาขอให้รวยขอให้หล่อขอให้สวยให้มีอานาจให้โดง่งให้ดังการทาบุญด้วยความโลภวังผลนั้น เมื่อสะสมบุญไว้มากพอก็จะส่งให้ได้รับผลตามที่ต้องการนั้นในชาติใดาชาติหนึ่งแต่ก็มักจะตามมาด้วยการหลวงในบุญที่ตอนมีได้ง่ายจนเสียคนในที่สุดต่างจากคนที่ทำบุญและอธิษฐานขอให้มีปัญญารู้ตามจรงิงให้เจริญในสิ่งที่เป็นกุศลให้รู้แจ้งในธรรมตามพระศ า, าสดานะครับกาปรปฏิเสธเรื่องภพชาตินั้น ก็เท่ากับปฏิเสธคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะการสอนแนวหนึ่งก็ทรงมีวิธีการสอนที่เรียกว่าอนุปุปภิกถาซึ่งเป็นหลักธรรมคําสั่งสอนที่กล่าวเป็นลำดับโดยพรนานาคุณของการให้ทานการรักษาศีลและข้อที่สคือสะะกะักขคาถาการพันานาคุณของสวรรค์ซึ่งเป็นผลสักทานและศีลที่ได้ทําแล้วนั้นและต่อด้วยโทษของการมาสุขคือแม้ความสุขในสวรรค์ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ปิดท้ายด้วยทรงแสดงอนิสง์ของการออกจักกรรมคือการออกบวชหรือปฏิบัติให้ถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นถุกซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างแท้จริงวิธีการสอนแบบนี้มีอยู่หลายแห่งในพระไตรปิฎกซึ่งก็ยังเป็นที่สงสัยว่าทำไมหลายท่านจึงชอบอ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องพวกนี้และสิ่งเหล่านี้มิควรสนใจก็ฝากไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ จะเห็นได้ว่าหากไม่เชื่อเรื่องภพชาติไม่เข้าใจว่ามีจริงอย่างไรยอมส่งผลเสียมากมายต่อการพัฒนาจิตของตนอย่างมากซึ่งการจะเข้าใจได้ถูกแค่ไหนก็ต้องเพียรศึกษาอย่างระวังด้วยนะครับเพราะในเส้นทางนี้มีสิ่งชวนหลงทางอยู่มากแม้แต่ผู้ปฏิบัติ ด, ดีตั้งใจดีแต่แรกก็อาจสะดุดไข้เคลด้วยการดวนจิตตัวเองหลอกให้หลงได้ง่ายเหมือนดังเช่นเทวดาทั้งหลายที่กาลังหลงในทิพยสมบัติอยู่เวลานี้นะครับ ซึ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดเพราะเป็นสภาพที่ศึกษาธรรมได้ง่ายกว่าไม่โดนความเป็นทิพปิดบังสภาพอนิจจังคือความไม่เที่ยงจนมิตรจนกลายเป็นมิจฉาทิฐิที่ถอนได้ยากเหมือนที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้หลักไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นคําสอนที่ทําให้ศาสนาพุทธต่างจากศาสนาอื่นจึงควรรีบเร่งศึกษาให้เข้าใจ ทั้งนี้การจะเข้าใจไตรลักษ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาได้จริงนั้นไม่ใช่แค่ท่องจำตัวหนังสือแต่ต้องเกิดจากการเจริญสติรู้ตามจริงจนเห็นชัดด้วยใจตนเองว่ากายนี้จิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่คงทนไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรซึ่งในสวรรค์และนรกนั้นเป็นภพภูมิที่เจริญสติเพื่อให้เห็นไตรลักษ์ได้ยากกว่ามนุษย์มาก ทั้งความทุกข์บีบคั้นจนจิตไม่นิ่งพอจะพิจารณาเห็นตามจริงได้ทั้งสุขที่ปราณีดูคงทนจนยากจะเห็นความทุกข์และความไม่เที่ยงได้เรื่องพบภูมิถ้าเข้าใจตามจริงในระดับหนึ่งทําให้เราเห็นค่าเห็นความเป็นมนุษย์ที่แม้จะตกประกรรมลําบากยากจนแสนเข็นหรือต่อให้พิการทางกายแค่ไหนก็ยังถือว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่พร้อมจะสร้างความดีในระดับที่เป็นบุญสูงสุดคือการเจริญสติ ที่มนุษย์ทําได้ง่ายกว่าพบทั้งปวงนั่นเองนับเป็นข้อดีที่สุดของการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่จะทําให้ทุกคนมีกําลังใจสู้ชีวิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสําหรับท่านที่สนใจการเจริญสติแบบง่ายและการแก้ปัญหาชีวิตด้วยหลักกรรมแนะนําให้ลองฟังเสียงอ่านชุดตาสว่างรับอรุณซึ่งเขียนโดยคุณดังตรินที่ชมรมผลดีจัดทาไว้นะครับ สำหรับท่านที่สนใจเรื่องภพชาติแบบไม่งมงายโปรดติดตามเสียงงานในชุดว่าวเสียงสวรรค์และอีกสองเรื่องที่สําคัญก็คือ Here After Here ซึ่งนับเป็นโลกที่ภาค3จะเป็นคําอธิบายในเชิงลึกของเนื้อหาทั้งหมดในเล่มนี้อีกทีโดยจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมตามหลักในพระไตรปิฎกจากอาจารย์พรรัตนสุวรรณพร้อมกันไปด้วยและพิเศษอีกเรื่องก็คือ The Life Beyond Death ซึ่งจัดเข้าเป็นโลกที่ภาคสที่เขียนโดยนักเขียนชาวต่างชาติอีกท่าน จะมีเนื้อหาที่ลุ่มลึกละเอียดที่สุดในหนังสือชุดนี้จะทําให้เข้าใจเรื่องภพภูมิได้ถูกตรงในแบบวิชาการมากยิ่งขึ้นและตรงกับคํำสอนในเรื่องกฎแห่งกรรมมากที่สุดทั้งนี้ยังมีเรื่องผีและเทวดามีจริงและอื่นๆที่ทางชมรมพลดีจะจัดทําเผยแพร่ต่อไปนะครับสําหรับเสียงงานทุกเรื่องโดยโจโฉและชมรมพลดีเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรทานแจกฟรีเท่านั้น หามตัดต่อแก้ไขก่อนได้รับอนุญาตเฉพาะการเผยแพร่ในชุดชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะโลกทิพย์ภาคที่หนึ่งไม่ควรแยกตอนเผยแพร่นะครับเพราะถ้าไม่มีคําอธิบายต้นเรื่องคำำํานําคําปรารบจะทําให้คนที่ได้ฟังเข้าใจผิดได้ง่ายจะกลายเป็นเชื่อแบบงม ง, งายหรือทําให้ปฏิเสธไม่อยากเชื่อไม่ยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงซึ่งความเข้าใจเป็นจริงนั้นยังไม่พอต้องเข้าใจด้วยว่าเป็นจริงแค่ไหนอย่างไร ถึงจะเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับ